بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ع ا ق ي ة للمتقين و ل ع و ا ن ا إلا على الظالمين وصلوا س ل م و على الشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى م ل دين ثم ما بعث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ي ن ك ك م و ن ُ ي و ي ْ ل َ ب َ ع ْ ي ا ل ت و ب ِ ที่เต็มไปด้วยข้อเตือนสติผู้ศรัทธาทั้งหลายท่ามกลางสถานการณ์วาระสุดท้ายของรัฐอิสลามที่ท่านอับดุลลอฮฺอะลัยวสสลัมดำรงอยู่เป็นผู้นำสูงสุดท่าได้รับการมอบหมายจากพระผู้เป็นเจ้าที่จะวางระบบระเบียบกฎกติกาต่างๆ ในสังคมมุสลิมรูปแบบอันเป็นต้นฉบับของสังคมมุสลิมที่จะเกิดขึ้นในยุคหลังถัดไปฉะนั้นการเรียนรู้าศาสนประวัติ <c oughs> ในสุรกะตวะไม่ใช่ว่าเราต้องเข้าใจมิติของประวัติชีวประวัติ และมิติของาศาสนาบัญญตัติจะได้เข้าใจาที่ไปที่มาของแต่ละเหตุการณ์และบทบัญญตัติแต่ละบทบัญญตัติว่ามันหมายถึงอะไรแล้วมันจะมันจะเป็นบทเ ร, รียนเป็นเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราในยุคปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนเพราะผลลัพธ์ของการเรียนรู้อัลกุรอาน ที่ต้องเกิดขึ้นกับผู้ศรทาทุกคนว่าทุกคนต้องสัมผัสสัมผัสกับส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละอายะเนี่ยในวิถีชีวิตของเราและวิถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันพร้อมเงื่อนไขของสถานการณ์หาเราได้อ่านคุรานและไม่สามารถผูกพัน กับชีวิตเราและสถานการณ์แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจกุรอานหรือเรายังไม่สามารถสัมผัสกับประโยชน์ของอัลกุรอานที่เกี่ยวข้องกับตัวเราซึ่งเรื่องนี้บางส่วนก็สามารถค้นหาได้ในตำรับตำราแต่บางส่วนจะต้องเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ ทีมีความเชี่ยวชาญมีความลึกซึ้งซึ่งบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญลึกซึ้งในเรื่องความหมายกุตตาทัว่วโลกนี่ก็มีนะถ้าไม่ใช่ว่าจะเยอะ <c oughs> แล้วโอกาสในการที่จะเรียนรู้ความหมายกุตตาให้ให้เข้าถึงแก่นแท้ของของคำสั่งสอนและสามารถเตรียม ข้อมูลที่เราศึกษาในความอกุรอานเตรียมไว้เป็นคําตอบที่จะตอบกับพระบุญ เ, เจ้าว่าเราได้ทําหน้าที่ในการอ่านกุรอานและไตรตรองอัลกุรอานได้ปฏิบัติตามอัลกุรอานและเผยแพร่อัลกุรอานสามารถเตรียมคําตอบไว้กับอัลลอฮ์ได้เนี่ยนี่นี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องเสแวง แล้วก็สามอย่างนี่อ่านเข้าใจปฏิบัติเผยแพร่นี่อ่านเข้าใจปฏิบัติเผยแพร่นี่มันต่อเนื่องกันนะอ่านอย่างเดียวไม่เข้าใจไม่ปฏิบัติไม่เผยแพยร่พอไหมไม่พกนี่คือย응ิวฮุดยิวฮุดเล่าจะเรื่อวกับคัมภีร์นอกจากอามานีแบบว่าอ่าน อ่านเข้าใจอย่างเดียวไม่ปฏิบัติไม่เผยแพร่ น, นี่พอไหมไม่พอเยฮูดเหมือนกันไอ้ที่อ่านอย่างเดียวเนี่ยอาวามพวกเยฮูดทั่วไปไอ้ที่อ่านแล้วเข้าใจเนี่ยผู้รู้ของเยฮูดนะอ่านแล้วเข้าใจนะแต่ไม่ปฏิบัติและไม่เผยแพร่ <c oughs> อ่านและปฏิบัติไออ่านแล้วเข้าใจและปฏิบัติแต่ไม่เผยแพร่ พอไหมไม่พอพราะในเมื่ออ่านแล้วเข้าใจแล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยเรามีเพชรพอยอยู่ในมือเนี่ยเราต้องเผยแพร่ให้คนอื่นได้เห็นความสวยงามมีที่ไหนล่ะคนไปซื้อแหวนเพชรแหวนแหวนเพชรพ อ, อยสวยงามวงละสามสี่แสนไอไออแหวนที่ซื้อไว้น่ะอะ เก็บไว้ใต้กระเบื้องใต้บ้านมีประโยชน์อะไรอะ่ะนะมีอะไรที่มีคุณค่าแล้วไม่เปิดให้คนโชว์ให้คนอื่นได้ดของสวยนั้นเนี่ยของดีนะสวยนะและการให้คนอื่นเนี่ยชวนให้คนอื่นยิถ้าเราถ้าเราเป็นพ่อค้านี่นะชวนให้คนอื่นมาซื้อนี่มาซื้อนีน่เราขายกุรอานนี่หมายถึงว่าเราเผยแพร่คําสั่งสอนของอัลกุรอาน เราเป็นน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบต่ออัลกุรอานท่านนบีสุลต์ละละอัลลอฮฺสัลลัมเด็กะในฮานิสที่บรรทุกที่บุคคลและมุสลิมมันก็จะมอิมันอุลจีมบิลจามินนาริยามอลกิยามาผู้ใดที่ปกปิดความรู้ที่ตนเองเรียนรู้แล้วศึกษาแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยมันกมอิมันผู้ที่ปกปิดอิมมันความรู้เนี่ยอุลจมวันกยมาเนี่ยเาก็จะเชือกจากไฟนรกเนี่ย มาลัดมาลัดปากนี่มาผูกที่ปากเหมือนเชือกที่เราลัดพวกประสุสัตว์ที่เราต้องการให้มันเป็นผาหนะาอเนะม้านี่ก็จะมีเชือกที่มาลัดนี่จะได้ควบคุมมันนะมันทําให้ม้านี่ควบคุมตัวเองไม่ได้ต้องมีต้องมีเจ้าของนี่ควบคุมนะคนที่ปกปิดความรู้เนี่ยอุลมะได้บอกว่า การลงโทษดุงเขาเนี่ยมันมันเหมาะกับสิ่งที่ตัวเองได้ทํากับตัวเองในโลกดุนยานี้ก็คือมีความรู้ที่จะที่จะทําให้สมองและจิตใจของของตัวเองเนี่ยโปร่งใสแล้วก็สามารถควบคุมตัวเองด้วยความรู้แต่พอได้ปกปิดความรู้เนี่ย ทำให้นับสูอารมณ์เนี่ยเป็นตัวควบคุมตัวเองแทนที่จะเป็นความรู้ที่ควบคุมตัวเองนะนะเพราะแนั้นคนคนที่ไม่ได้เอาความรู้นี่มาบริหารชีวิตนั่นนะสิ่งที่จะมาทดแทนทันทีนี่คือฮาวาาาเติมยอบัสบอกว่าในโลกนี้กนี่มมีสองเรื่องนี่แหละไอ้เูกับาาฮาวาไอ้เูนี่ก็มาจากความรู้นี่ก็มาจากวะทยูมาจากคำสั่งสอน ละอَน ayat อัลลอฮฺว่าว่าละตั้งตัวแทนของเราบนพื้นดินและกุมไْนั่นแน่สิบิลฮักติต้องตัดสินบริหารชี้นำผู้อื่นด้วยอัลฮักติ อักษัจะทำเสร็ำตรงนี้เนี่ยก็คือคำพีคือคำสั่งสอนว่าแลแต่ทำอยฮาวาแลอย่าปฏิบัติตามฮาวาอารมณ์เนี่ยบาซิอกว่ามันก็มีสองอย่างมีออลรูที่มาจากคำสั่งสอนแล้วก็มีฮาวาถ้าเราไม่ยึดตามคำพีเนี่ยฮาวานี่มันจะมาทดแทนทันทีเลยนะทันทีเลยคนที่ดื่มเหล้านี่เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เอาคำสังสอนในอุา น, นี่มา กำกำกับชีวิตของตัวเองคนที่กินดอกเบีย้ยก็ไม่ได้เอาคําสั่งสอนของอุลตร้าที่ห้ามดอกเบีย้ยนี่ไงฮาวานี่จะมาแทนเลยคนที่ชอบฟังเพลงแล้วก็ไม่ฟังกุลตรอาชัดเจนเลยฮาวาชัดเจนเลยอายะ83ถันมาจากเนี้นี่อายะที่เราได้ยกที่แบบที่ที่แล้วนะ ف ا ل ي ض ح ะ و ا كثيرا و ل ي ب กูก ฟลี่ด้ชกุ้งเลกน์น์วิยับกุ ن, ้งค์ธีร์น์จ๊มีมากันวิยัคิบ Allah ยอยัลลอฮฺเยยพวกมุนาฟิกินบ่กให้เขาหัวเราะน้อยน้อยเถอะให้ร้องไห้ให้เ ย, ยอะเถอะเนื่องจากสิ่งที่เขาได้ขนขวายนี่หมายถึงว่าสิ่งที่เขาไม่เอาไหนกับศาสนาน่ถ้าอย่างนั้นน ะ, ะ น, นะถ้าอย่างนั้น การลงโทษที่ดีที่สุดเนี่ยจะทําให้พวกเขาเนี่ยหัวเราะน้อยแล้วก็ร้องไห้เยอะหัวเราะน้อยนี่ก็ยังยังเป็นบุญนะเพราะคนในเวลาเสียใจเนี่ยไม่ไม่มีอารมณ์จะหัวเราะเลยนะนอกจากว่าเสียสติไปแล้วเห็นมาคนที่เวลาเสียใจแล้วก็หัวเราะเฮ้ย ห, หัวเราะทำไมเรื่องเรื่องร้ายไปเนี่ยเพราะร้ายแบบนี้เลยหัวเราะก็คือก็คือบ้าไปแล้ว แต่คนที่คุมสติแล้วก็เกิดสิ่งที่ทําให้ตัวเองเสียใจมันจะมีอารมณ์หัวเราะเหรอแค่อะไรบอกว่าให้หัวเราะน้อยนี่ก็ถือว่าบุญแล้วนะเพราะเราบอกว่าวันเกียร์มากนี่ถ้าเข้านรกแล้วเนี่ยถูกลงโทษแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ความจริงทุกอย่างรู้เข้านรกรู้แล้วไอ้สิ่งที่เขาเคยปฏิเสธนี่มันเห็นกะจัดแเราบอกว่าเยาวมัยัทบุบเอลิมัวลายเดย์ผู้ทำเนี่ยผู้คนที่ปฏิเสธนี่ เอามือนี่นิ้วนี่มากัดท่าของคนที่เสียใจเนียเสียใจเสียดายเสียดายจั่งเลยกัดนิ้วตัวเองไม่น่าพลาดมันไม่มีอารมณ์อะไรที่จะมาดีใจหรือจะมาจะมาจะมาแฮปปี้สักนิดหนึ่งก็ไม่มีนะและสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮฺราะวดานะได้อ้างว่ามันเป็นเหตุผลของการลงโทษ ชนิดนี้เนี่ยวิมาแกานูยักษ์ซีบูนด้วยทั้งนี้เป็นการตอบแทนตามที่พวกเขาขนขวายไว้ที่เขาทําไว้อย่าลืมนะว่าพวกมุนาฟิกินที่อัลลอฮฺได้เล่าเรื่องอุสุร์ตะบัดที่เขาขวนขวาไวนี่ก็มีหลายเรื่องนะละมาทคนละมาทไหมมุนาฟิกินละบาทสตอกก็มีสตอกกแต่สิ่งที่เขาทํำมันก็ สิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยเฮงสวยนะไม่ใช่สิ่งที่เขาขนขวายทั้งหมดเลยนะมันแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องความเป็นมุนาฟิกที่ทำให้เขาเฮงสวยและที่อัลลอฮ์หมายรวมอัลบิมาการูยักษีลูนที่เขาขนขวายไว้เนี่ยก็คือสิ่งที่ทำให้การงานของเขาดีๆงามๆทั้งหลายนี่นะมันหมฆะใช่ไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นประกาศสาคัญ ในหลกักการศาสนาที่ทำให้พวกเราเนี่ยต้องต้องตื่นตัวในหลกักการอิสลามเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และจักชั่งน้ำหนักความดีความชั่วตามวรระนี่คือหลกักการทั่วไปและเราต้องยึดหลกักการ น, นี้ในการที่จะวิจารณ์วิจารณ์การงานและก็วิจารณ์คนเราจะต้องดูภาพรวม และก็ะช่างทุกอย่างคนค น, นึ่งทำทั้งดีและก็ชั่วเราจะสรุปสรุปว่าเขาเป็นคนชั่วหรือเป็นคนดีเนี่ยไม่ได้สรุปที่การงานชิ้นเดียวเขาทําสมมติว่าเขาทําความดี9ก้าสบ้าเป็นต์และกระทำความชั่วห้าเปอรเราจะมุ่งที่จะเห็นความชั่วอย่างเดียวเฮ้ยคนนี้มันชั่ว แล้วก็มีความดีอยู่95อันนี้ไม่ใช่หลักการศาสนาหรือว่าเขาทําความชั่ว95เปแล้วก็ทําความดี5ปเแล้วเราก็มองแต่ความอย่งนู้คนนี้เนี่ยดีดีมันก็ไม่ยุติธรรมทั้งนี้อันนี้หลักการทั่วไปนะเราดูภาพรวมแล้ววันกียร์มาเนี่อัลลอฮฺซุลแลหจะตัดสินตามหลักการนี้ คนทำความดีทำความชั่วทำสุนนะทำบิดอ่ะวันเกียมากร้อก็ะช่างนะสุนนะที่เขาทำเนี่ยกี่เปอร์เซนต์กี่คะแนนบิดาที่เขาทำเนี่ยกี่เปอร์เซนต์กี่คะแนนอันไหนมากกว่าเนี่ยอันไหนมากกว่านี่มันก็จะกลบสิ่งที่มากกว่ามันก็จะกลบสิ่งที่มันน้อยกว่า ยกเว้นถ้าความชั่วเนี่ยนี่หลักการเรื่องที่สองเนี่ยถ้าความชั่วเนี่ยมันมีความร้ายแรงร้ายแรงที่ทําให้ความดีเนี่ยไร้ความหมายไรยความหมายเป็นไปได้แม้ก็เป็นไปได้ <c oughs> คนเรานี่ทําความดีกับพ่อแม่สมมตินะทความดี ทำทุกอย่างที่คนทั่วโลกนี้ไม่เคยทําให้พ่อแม่นะทุกอย่างดูแลอย่างดีให้ตังสร้างบ้านซื้อรถรักษาพยาบาลอยากจะไปเที่ยววัดาไปไปทอมรอบไปทําทีดีหมดเลยแต่เราไปกระสิบพ่อแม่อกว่าพ่อจา่าแม่จา่าผมไม่ยอมรับว่า พ่อเนี่ยแม่เนี่ยเป็นพ่อแม่ฉันไม่ยอมรับพ่อแม่นี่ยจะมองถึงความดีที่เขาทำที่ลูกทำกับเขาเนี่ยมีค่าไหมก็ไม่ยอมไม่ยอมรับว่าเขาเป็นพ่อแม่เนี่ยโอ้โหไม่ต้องเลยอันเดียวกันเลยทาความดีกัอนกบริจากทำฮัตทำอมรรมาด แต่ในขนาดเดียวกันใจลึกๆนี่นะไม่หอมไ ม, ไม่ไม่เชื่อเต็มร้อยว่าเป็นพระเจ้ายังยังแข็งใจนยังมีข้อสงสัย ม, มีประโยชน์อะไรนี่นี่คือหลักการที่สองถ้าบิดอาอุตริกรรมเรื่องความเชื่อหรือการกระทาที่มันจะที่มันจะสื่อถึงการปฏิเสธศรัทธาไม่เต็มร้อย ในเรื่องหลักศรัทธาเนี่ย น, นี้มันจะทำลายทำลายความดีทำลายเรื่องศาสนาอื่นที่เราได้ปฏิบัติเพราะโดทั้งหมดเลยและนี่นะที่อัลลอ์หมายรวมว่าบีมาการหืีเกสิ่งดีสิ่งทีเขาควรไาวนี่ก็คือสิ่งที่มุนาบิกีเนี่ย ได้สะสมไว้คือความเป็นมุนาฟิกความที่เขาไม่ได้ศรัทธาเต็มรอ้อยที่เขาแข็งใจสงสัยในอัลลอฮ์ในลซูลในคำสั่งสอนของอัลลอฮ์เราละซูลเฮ้ยดะมุฮัมมัดนี่ที่ดะมุฮัมมัดที่เขาพูดนี่นะพวกเรานี่นะพวกเราอะไรไม่ใช่พวกเราอ่ะนะพวกเขาพวกมุนาฟิกินบอกว่าถ้าที่มุฮัมมัดได้พูดจริงในพวกเรานี่ควาย แล้วก็ที่ละหมาดเนี่ยละหมาดกันทำไมบางคนเนี่ยก็ไม่คิดไอ้ผูุรับผิดชอนพูดอย่างนี้จริงอะ่ะมีด้วยคนพูดแบบเนี้ยมีนักเขียนคนหนึ่งชื่ออานิสมันซูคนนี้เนี่ยเป็นนักข่าวที่นัสเซอร์เนี่ยประธานที่วนทีนัสเซอร์น่ะอิบเนี่ยเขาไว้ใจ ให้เขาเนี่ยเป็นคนเขียนบทสุนทรพจน์ปราสัยทั้งหมดเนี่ยคนเนี่ยจะเป็นคนเขียนแล้วก็จะไปที่ไหนเนี่ยแจะไปพูดอะไรที่ไหนเนี่ยอานิสมัสซูรเนี่ยก็จะเป็นคนใกล้ชิดสนิทกับนัซเซอร์เนี่ยหลังจากนัซเซอร์เสียชีวิตเนี่ยอานิสมัสซูรเนี่ยได้เขียนชีวประวัติของนัซเซอร์เขาก็บอกว่านัซเซอร์นี่ลึกๆนี่นะลึกคือเขาเขาบอกว่านัซเซอร์นี่ไม่ละหมาด แต่มันมีอะไรที่มันตะกอนนูน้นเขาแข่งใจกันนะเห็นนัเสื้อนี่เคยไปทำฮัตไปทำของเราใมีรูปด้วยนะใส่ผ้าชุดเอกรอมแล้วก็อะไ่างภาพนี้ภาพนี้เนี่ยประธานที่บดีพูดน้ำแล้วนะกนะ็มีคุชวานไม่มองกรด้วยนะกุชวนี้สมัสูดบอกว่าตะวักกับนักเสื้อนี่ตะวักกันนักเสื้อนี่กระซิบบอกว่า ละครนี้เมื่อไรจะจบสัทีเอาแล้วไม่นัเกเสื่อพู้หนึ่งเขาบอกว่าช่วงที่นักเสื่อเนี่ยเอากลุ่มอิควานแล้วก็นักอุลามานักกุชาการเนี่ยจับเข้าคุกหมดเลยเนี่ยแล้วก็พวกอิควานเนี่ยก็ะดั้งข้อสงสัยคนที่ทําแบบนี้เนี่ยใช่มุสลิมหรือเปล่าที่ปรึกษาเขาบอกว่าต้องทําอะไรให้ คนทั่วประเทศเนี่ยพันทงว่ะเสื้อเนี่เป็นมุสลิมสิไม่มุสลิมได้ไงอ่ะเขาก็เลยส่งทางซาอุดีทั้งในตอนนั้นนะกับซาอุดีเนี่ยก็ตึงกันนะไม่ค่อยถูกกันนะอ่ะเพราะฉันขอทําฮัดทำอุ่มรอ้อนะไปเพื่อจะได้ไปถ่ายรูปเพื่อยือนยันกับชาวบ้านเขาว่าเขาเนี่ย น, น, น, นี่นี่ขนทํานะแต่ตอนนี้ทํานี่นะกัระซิบกับคนใกล้ๆตัวนี่นครนี่มาเลยจะหมดสตีนี่สแสดงว่า ลึกๆนี่เขาไม่เชื่อนะเขาไม่เชื่อเรงฮัดเรื่อ ง, องระ อ, อะไรนี่ตะวักการบ้างเลยไม่เชื่อนี่ก็เข้าใจว่าเขามันเป็นละครจริงๆเพราะเขต้องแสดงเพื่อเอาไปเปิดเผยให้ชาวบ้านได้เห็นว่านี่เขายัางเป็นมุสลิมอยู่แต่วมันไม่แปลกนะถ้าเราอ่านในประวัติศาสตร์นี่ว่าไอ้พิมุนาฟิกีนเคยพูดโอ้ท่ามุฮัมมัดเรื่องที่มุฮัมมัดนี่ เราพูดตามตามสำนวนเขานไม่อย่งนั้นมุสลิมเนี่ยไม่อนุญาตให้เอ่ยชื่อท่านนบีมุฮัมมัดเอ่ยชื่อเปล่าๆเนี่ยไม่ได้ละจะ جعلوا دعاء الرسول ب ي ك م ك ด ع ا ء كبع ك م ะเรียกชื่อนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่ได้นี่บาปแต่เราพูดตามสำนวนที่มุนาพิกลขบวดบอกว่าที่มุฮัมมัดนี่พูดนี่มันจริงนะพวกเรานี่ควายนควายน คนที่แบบว่าประเภทนี้เนี่ยแล้วก็อยู่ในสังคมอยู่ในสังคมแต่งชุดเหมือนมุสลิมนี่แหละเผลอๆนี่ก็อาจจะละหมาดด้วยกันอาจจะทําฮัตทํา้วยกันร่วมอดด้วยกันมีลึกๆมีนะไม่เชื่อเต็มร้อยหรอว่ามีพระเจ้าในมันติดของบุคลิกและมุสลิมในท่านนาบีเล่าเรื่องคนที่ ถูกฝังในหลุมศพแล้วแล้วก็มาเลย์ก้านีมาถามเขาใครอ่ะคนที่ถูกส่งมาหนิที่เป็นที่เป็นนบีที่เป็นศาสนาฮะฮะใครก็ได้ยินเคอได้ยินเขาพูดได้ยินเขาว่ากันเขาเนี่ยตายในสภาพเป็นมุสลิมมานแต่ไม่ได้ศรัทธาไงเพราะถูกถามแล้วมันนบีอยู่กะศาสนทูตของเจ้านี่คือใครได้ยินก็ได้ยินเขาพูดกันน่ยเพราะเขาเนี่ยไม่ได้ศรัทธาจริง เขาพูดตามดีเขาพูด أشهد وأن لا إله إلا الله أشهد وأن محمد رسول الله พูดพูดตามเขาอตาไม่ได้ัยดใจนบี م ح الله عليه บอกกับชาวุเรชว่าล ah ูจงกล่าวและอิลาห์อ <n transformer> <supplements> ิลล allah ทุฟลิฮุพวกเจจะประสความสำเร็จถ้ามันแค่กล่าวลอิลาอิลล allah นี่ป่านนี้เนี่ยุเรชไม่ต้องทะเลาะกันบีไม่ต้องกล่าวและอลาอิลาอิลล l l a h อะตกัน คืนดีกันไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องสูร้รบกันแต่กรุรไลชุนรู้นี่มันไม่ใช่การเอาวลอิละห์อิลอลอห์อย่ า, าเงเดียวมันต้องศรัทธาศรัทธาแล้วต้องปฏิบัติปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ต้องปกป้องมันมีต้นทุนของความศรัทธามุนาฟิกีนเนี่ยก็ไม่ยอมที่จะจ่ายต้นทุนนี้และความลําบากมันจะเป็นบททดสอบความลําบากจะเป็นบททดสอบสําหรับพวกเราทุกคนจะได้เห็นว่า ที่เราาาจิงหรือเปล่าสงครามบางสงครามนี่มุนาฟิกินช่วยนีสงครามอดนี่ก็ช่วยนพีสงครามบางสงครามนั่นก็ช่วยนพีแต่เวลาลบากในอย่างสงครามตะบูกนี่นะไม่ช่วยเห็นทแทะนบีบอกว่าอักัลุสลัดัยนอัลลมุนาฟิกนลุลฟัร ا ل ع ش ากลมเวลา ที่มันหนักหน่วงที่สุดที่มันสาหัสสําหรับมุนาฟิกินละหมาศุบูรและก็อิชาทําไมอะพอศุบูรนี่นอนต้องตื่นอิชานี่ง่วงจะนอนมุนาฟิกินก็จะไม่ชอบนบีก็เลยบอกว่ามันหนักที่สุดนะสาหัสสําหรับมุนาฟิกินที่กําลังนอนตื่นตื่ น, ต, นตื่นมาจะได้ละหมาอศไม่ไหวผมก็บอกว่าสํานวนหะดีษนบีเนี่ยอยาให้มันผ่านง่ายๆนะ ทับดบีบอกว่าการละหมาดที่มันที่มันหนักสาหัสเนี่ยถ้าการละหมาดมันละหมาดซูโบะละหมาดอิชานิมมันใช้คําไม่รู้จะมันจะเหมาะหรือเปล่าถ้ามันหนักกระบาลนี่นะก็ต้องพิจารณาตัวเองถ้ารู้สึกว่ามาซูโบ พิจารณาตัวเองได้แล้วสิ่งที่มุนาฟิกเกนควรก็อย่าลืมนะเรื่องที่สำคัญที่สุดนี่ก็คือไม่ไม่ไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยกับหลักศรัทธาอัลลอฮ์ก็เลยบอกกับท่านนบีสุลลอลเาะัลลัมไอคนที่มีประวัติแบบนี้ขึ้นแบ็คลิสเลยซึ่งรัฐบาลถ้ามีประชาชนคนหนึ่ง ได้มีอชญยกรรมหรือมีความประพฤติอันเป็นภัยต่อความมั่นคงขึ้นแบล็กลิสเลยอย่าว่าอย่าว่ากระทบกับความมั่นคงนะแค่เป็นแค่ติดคดีเนี่ยขึ้นแบล็กลิสเนี่ยออกนอกประเทศไม่ได้ละพอไปสนามบินที่ไหนเนี่ยเช็คพ a ขึ้นเลย ห้ามเดินทางออกต่างประเทศละมากกว่านี้จะลงเล่นการเมืองไม่ได้ลวโกรกตอรพอชิดไม่ได้ลวมีคดีจะเข้ารัฐสภาจะเข้ารัฐบาลจะเป็นโกรกตรจะเป็นอบตอจะเป็นผู้ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยขึ้นแบเพราะอะไรอะ่ะเพราะเขามีพฤติกรรม อันเป็นผลร้ายต่อสังคมสังคมจะไม่ได้ประโยชน์จากคนประเภทนี้พวกอาฟิกินก็เหมือนกันเป็นคนที่ถือว่าเป็นภัยต่อสังคมเราก็เลยบอกว่า มุนาฟิกีนที่เขาไม่ได้ออกไปสู้ร่มกับท่านนาบีขึ้นแบคลิสเลยหากอัลลอฮ์ได้ทรงให้เจ้ากลับไปจากสงครามตะบูก็นะกลับจกสงครามตะบูกเรียบร้อยแล้วและท่านก็ได้เห็นพฤติกรรมของมุนาฟิกีนเป็นยังไงแล้วก็ท่านเห็นคนที่ทิ้งท่านนาบีไม่ยอมไปช่วยท่านนาบีนี่นะหากอัลลอฮ์ได้ทรงให้เจ้ากลับไปยังกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาในหมู่พวก มนาฟิกีนที่มาดีนะถ้าท่านกลับไปเจอพวกนี้นะกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะทำไมเอ่เพราะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ไดีออกไปสู้รบกับท่านนาบีแต่ไม่ไดไม่ได้เขาไม่ได้มีความแข็งใจเขามีอุปสรรคจริงๆแล้วก็มีบางคนที่เขาไม่มีความเสื่อมด้านศรัทธาแต่เขาเขามีความแคิเกียดเพียงความค่เกียดซึ่งมันเป็นบาปแต่เขาไม่มีความ สงสัยในเรื่องหลักศรัทธาและนี่คือพฤติกรรมของของสามคนที่อัลลอฮฺจะเล่าเรื่องเรื่องเขาในท้ายของสุรอะอตโตบาแสดงว่าไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ได้สุระเป็นมุนาฟิกินทั้งหมดนะอัลลอฮฺก็เลยบอกว่าถ้ากลับไปยังกลุ่มหนึ่งพวกเนี้กลุ่มหนึ่งนะแล้วพวกเขาจะขออนุญัติกลุ่มนะั้นกลุ่มที่ที่ ไม่ออกแต่เขาแข็งใจนี่มีกุฟอรอยู่ในหัวใจนี่นะแล้วพวกเขาขออนุมตัติเจ้าเพื่อออกไปสู่รุปกับเจา้าอีกทีหนึ่งนนะฟะักุลจงกล่าวถิดโอโมหฮัมมัดว่าเลนตครูจูมาอิยะอบดาพวกท่านจะไม่ออกไปกับฉันตลอดกาลไม่ขอออกไปญี่ฮกับท่านนาบีนะ่แกตัวแกตัวไม่ไม่แล้วไม่แล้วพวกเจ้านี่ เคยสแสดงถ้าแท้ของพวกเจ้ามาแล้วพวกเจ้าก็จะไม่จริงใจในการที่จะทำจิหาดกับข้าพเจ้าวะนั้นตุกัติลูมัยยะอับดะและจะไม่ต่อสูร้ร่วมกับฉันซึ่งศัตรูใดๆเป็นอันขาดอินนักุมรดีตุบิลกอดีอวลามรแท้จริงพวกท่านพอใจต่อการนั่ง อยู่แต่ครั้งแรกแล้วดังนั้นนั่งนี่หมายถึงว่านั่งอยู่กับบ้านนะไม่ดีไม่ไ ด, ไมไดีออกไปสู้รบกับท่านนบีดังนั้นต้องนั่งอยู่อยู่กับที่นี่แหละไม่ต้องไปไหนกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องหลังเบื้องหลังนี่ที่ไม่ได้ออกมาอยู่แนวหน้ามาสู้รบกับอับีอยู่เบื้องหลังที่มดีนนะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ออกจากบ้านต่อไปท่านมันมีคําถามไม่ไม่ให้ออกเลย หมายถึงว่าแม้กระทั่งในกรณีที่เตาบาดตัวเต้าบาตั ว, ต ว, ตตวและไม่เอาเลยใช่สาหรับความผิดบางอย่างบางอย่างในไม่ใช่ทุกอย่างสำหรับความผิดบางอย่า ง, า ง, างในศ า, ส, า, า, าน ส, สนาอาจทำให้มีบทลงโทษที่เป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างไม่ได้เป็นบทลงโทษที่ต้องการทำร้ายคนที่ ทำบาปตลอดไปนะไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเขาไม่ได้ออกไปิ่าต์กับท่านนาบีเนื่องจากเป็นมุนาฟิกตอนนั้นนะและทำให้คือบัณทอนความศรัทธาความกระตือรร้นของคนบางคนเลก็นี่งไง ก, ก็ไม่ได้ออกนี่ไงเขาไม่ออกแสดงว่าไม่ออกนี่ก็ไม่ไมไมต้องไปย่าต์ก็ได้นี่นี่ผลที่ที่มันเกิดขึ้นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้น แค่แบบนี้ต่อไปเนี่ยไม่ให้ออกละเพื่อเป็นการลงโทษ ด, ด้วยคนประเภทนี้นี่นะรัฐอิสลามไม่ต้องการเป็นคนมาช่วยสังคมไม่มีตัวอย่างในนิติศาสตร์อิสลามให้เห็นว่าความผิดบางอย่างเนี่ยควรที่จะเป็นเยี่ยงอย่างสําหรับสังคมเพื่อไม่ให้คนเลียนแบบเช่น คนที่ใส่ร้ายผู้อื่นว่าทำซีนาและไม่เป็นจริงคนที่ใส่ร้ายคนคนนี้มึงอะทำซีนาใส่ร้ายอย่างนี้เลยนะและมันไม่เป็นจริงบทลงโทษของคนคนนี้เนี่ยถ้ามีรัฐอิสลา ม, มานะบทลงโทษของคนคนนี้เนี่ยก็คือต้องถูกโบยถูกเขี้ยนแปสิบครั้ง ใกล้เคียงกับคนที่ทำสีนาเลยนะคนที่ทำศีนาหนึ่งรอคนที่กล่าวหาคนอื่นว่าทำศีนาเนี่ยแสบแต่ที่หน้าสงหน้าสังเกตนะและอัลลอฮ์บอกว่ามีบทลงโทษอย่างนะ้ฟรจมเมานนเจลตันนี่เนี่ยบทลงโทษก็เขา ولا تقبلو لهم ش ตและการที่เขาจะมาให้การเป็นพยาน ในคดีหนึ่งคดีใดอะนะไม่ให้รับการให้การของเขาอ บ, บาดาตลอดไปซึ่งเป็นทศนาอุลามาส่วนมากบอกว่าคนที่มีประวัติใส่ร้ายคนอื่นว่าทำสินานี่นะคนนี้เนี่ยถ้ามีคดีใดของใครในสังคมแล้วก็ถูกเรียกคนนี้เนี่ยให้มาเป็นพยานในคดีอื่นนะไม่ใช่คดีนี้ในคดีอื่นนะนะไมรับทไมอะมี อ, อะไรเลย ประวเพราะวัติใส่ร้ายแล้วจะปลอดภัยหรือเวลาให้การเป็นพยานที่จะใส่ร้ายคนอื่นในเมื่อใส่ร้ายคนอื่นในเรื่องความบริสุทธิ์เกียรติยศของเขาว่าเขาเนี่เป็นคนที่ทำดีนาเนี่ยและะ้วตัวเองจะไปขึ้นเป็นพยานในคดีอื่นเนี่ยจะมั่นใจได้ไงว่าเขาจะ ขุลมาบางท่านบางคนได้เท้บัตัวนี่รับได้แต่ขุลมาสนบางคก็ม่งไม่ได้มันมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจอีกแล้วไม่น่าไว้วางใจอีกแล้วนี่เป็นตัวอย่างอันนึงนี่คล้ายๆเนี่ยอิมมิชเชียรตอบรีบอกว่าที่ท่านนบีสุลตาร์สัลลมกลับจากสงครามตะบูกแล้ว ตั้งใจที่จะไปเคลียร์กลุ่มหนึ่งที่ไม่ไดีออกไปสู้รบโดยมีพฤติกรรมของมุนาฟิกีนที่แบบว่าไม่ศรัทธาปฏิเสธศรัทธาในหัวใจของเขาเนี่ยตั้งใจที่จะไปเคลียร์กลุ่มเนี้อับดุเจลตบบริษัทริงงานวะทิานนาบีซัลลัลลอฮุซัลลัมบอกว่ากลุ่มมุนาฟิกีนกลุ่มนี้สิบสองคนซึ่งสอดคล้อง ขบฮะดีซ่าไซมุสลิมนบีบอกว่าอินนฟีีมุนาฟิกุนในกลุ่มสหาบของฉนเนี่ยมีมุนาฟิกอีกสำนวนหนึ่งอีกสำนวนหนึ่งนบีระบุว่าคนในไซมุสลิมและพวกชานีกัพือเลยะดีบทีนมุสลิมกัพือเลยที นตี่โบก็าบ้านี่มีมุนาวิกใช่หแล้วก็เนี่ยพวกเราเนี่ยาต้องเสียเวลากับคนดีเรียนไม่จบอ่านไม่หมดนี่นี่นี่เลยตัวอย่างเรียนไม่จบอ่านไม่หมดดูหดี้พูดถึงเรื่องอะไรต้องดูสำนวนรายงา น, นอื่นๆนี่พูดถึงอะไรพูดถึงใครก็พูดถึงมุนาฟิกีนแท้ๆเลย ที่สุรตะวันนี่บุตรมุนาฟิกตกลงพวกมุนาฟิกินเนี่ยช้ชีวิตกับท่านนบีหมช้ชีวิตละหมาดกับท่านนบีไหมมัสยิดเดียวกันละหมาดกับท่านนบีใครมาจากไหนนี่เขาก็มองอพวกนี้ก็เป็นสฮาบะแน่นอนมีขุมมุนาฟิกินมีแน่นอนแต่จะเอาฮะดีสนี้เนี่ยอินนีอัฮบีมุนาฟิกินในขุมสฮามะมีมุนาฟิกบอกว่านี่ไงสดงบุบกรมัแบบคน ระดับนี้าจะป็นมุมนหมายน่นบีหมายถึงกลุ่มนี้ละเป็นไปได้หรออัลล ل ي ه าอัลลอฮฺด้วลงโทษกลุ่มเหล่านี้เนี่ยขึ้นแบล็ลิส์ขึ้นแบล็ลิส์นี่ก็หมายถึงว่าแล้วจะครูดูไม่ยบดะตไปนี้จะไป جهة ที่ไหนนี้นี่ยจะไม่แล้วจะตุกอติลูไม่ยดูวะ วันตัวที่รู้ไม่อยาดัวและจะไม่มีวันที่จะร่วมกันสู้ศัตรูใดๆเคยไหมคนที่เรารู้สึกว่าเออเขาเขาเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมแล้วเราก็อยากจะไปกับเขาเขาไปเทียเท่ยวที่ไหนก็ไปกับเขาไปกับเขาจะได้เซลฟี่ไง เราไปกับคนนี้นะอะไรเงี้ยแล้วเขาจัดทริปหนึ่งแตาเวลาเราไปสมัครไปเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่ า, เ อ, าเองไม่ไปไม่ไปรู้สึกยงไงนึกออกมนึกภาพออกไม่ต้องอเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนหลายคนนะนะเขาจัดทริปจะไปเที่ยวจะไปอะไรอะนะเฮ้ยเงื่อไม่ไปไม่ไม่ไป เพื่อนทังบนนี่ยไม่ให้ไปเราก็สนิท ก, กับคนนู้นคนนี้กกจะไปถึงไม่ว่าจะไม่ถูกกับคนเมือันแต่นี้พอจะไปแล้ ว, ว่นะเขาเอกฉันเลยนะไม่ให้ไปเคยเจอไหมแบบนี้ว่าผมแบมีทริปอะไรที่ไหนกิจกรรมอะไรที่ไหนนี่นะอย่าไปเสนอหน้าเลยผม เพราะทหารเขาไม่ชอบคีหน้าเราแล้วก็มันก็บอกอย่ไปเลยอะไรเงี้ย ม, มันเสียประวัติเลยนะดีที่สุดเนี่ยปลอดภัยที่สุดเนี่ยรอให้เขาเชิญถ้าเขาเชิญเนี่ยเออไปด้วยมีเกียรติไงแต่ถ้าเราไปขอไปด้วยแล้วก็ก็ไม่ให้ไปนะโอ้ขึ้น CNNBBC เป็นเรื่องเลยนี่คนนี้เนี่ยมันไม่แม้แต่เขาไม่ให้ไปเนะี่ยเป็นเรื่องเลยเสียประวัติเลย มูนาฟิกเสียประวัเสียประวัตินั้นในสังคมมดีน่านี่ตอนนั้นนะคําว่ามุนาฟิกนี่ก็คือหมาเน่าเลยนะคืออะไรแบบเหม็นๆที่สุดเลยคำว่ามุนาฟิกนี่ถ้ามุนาฟิกชัดๆนะที่เขารู้กันว่าชัดๆนี่เน่าที่สุดเลยแต่แต่มีพฤติกรรมมุนาฟิกเนี่ยอง์ก็จะอย่าอย่าไปยุ่งกับคนนี้อย่าอย่าไปยุ่งกับคนนี้ อี้ น, นี่นี่คือบรรยากาศในสังคมมา ด, ดีน่าซึ่งต้องเข้าใจว่าตอนนั้นนะ่ะอิสลามและกัมุสลิมเนี่ยก็ยังยังกำลังเริ่มต้นศัตรูเยอะแยะที่เขามีอุบายแผนที่ต้องการทำลายอิสลามทำลายมุสลิมเพราะฉะนั้นอิสลามก็ยังยังอ่อนแอและก็คนที่เขายังรอจังหวะที่จะ เอาอิสลามและมุสลิมเนี่ยล้มเนี่ยเขาก็ยังมีก็ยังมีคนมีความหวังว่าพวกมุสลิมเนี่ยเดี๋ยวจัดการล้มให้เหมือนเดิมเลยกลับเหมือนเดิมไม่ให้มันมีอํานาจมีอะไรอีกแล้วก็ยังมีคนที่ยังหาจังหวะอยู่เราเราจรึงเข้าใจว่าในบริบทตอนนั้นนะ่ะนะมุนาฟิกีนเขาทำไมถึงปกปิดการปฏิสิทธิ์สตาก็ ไม่ไมกลาพอตอนนั้นมุสลิมเป็นส่วนมากแต่ลึกๆนี่เขาก็ยังมีความหวังว่าเขาจะกลับสู่อำนาจเดิมของเขาแล้วก็เราดีตุนบิลกูรูดีเอาละมรรฐแต่จริงพวกท่านพอใจต่อการนั่งอยู่แต่ครั้งแรกแล้วเราดีตุน ม, มีความพอใจบิลกูรูดีที่จะนั่งอยู่กับบ้านไม่ออกไปสู่ร่วมกับท่านนบี صلى ข้อแตกต่างระหว่างมุสลิมกับมุนาฟิกเนี่ยมุสลิมบกพร่องในเรื่องหน้าที่นะแต่จะรู้สึกเสียใจไม่ละหมาดซูโบก็จริงตื่นสายก็จริงแต่เสียใจนี่มุสลิมมุสลิมและมุหมินนะต้องต้องมีตรงนี้เงื่อนไขตรงนี้หรือทำบาปแล้วเสียใจแต่มุนาฟิกเนี่ยถ้าทำบาปแล้วพอใจ ไม่ได้ออกไปดิฮาดก็ไสู้รบกับท่านนาบีอลัลลอฮฺบอกว่าราับดที่จริงเนีรับ พ, พวกพเจ้านี่พึงพอใจในเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้สําหรับคนที่ไม่ได้เป็นมุนาฟิกอย่างสามคนที่อลัลลอฮฺจะเล่าเรื่องขาในสามคนที่เขาเสียใจเขาเสียใจมากเสียใจถึงขนาดที่บางคนเนี่ยต้องล้มป่วยเลยนะนี่ผู้ศรัทธาข้อแตกต่างและเรื่องนี้ที่พวกเราทุกคนต้องพยายามตรวจสอบ ชีวิตของเราโดยรวมเนีย่ยต้องตรวจสอบเราจะเป็นคนที่ไม่พอใจในการทําบาปถึงเราจะอ่อนแอถึงเราจะอยู่ในสภาพที่อ่อนแอแล้วก็โดนเชยตอนถูกโดนเชยตอนหลอกเราหรือโดนเพื่อนไม่ดีหลอกเราทําบาปทําความชั่วในขณะในจังหวะที่เราอ่อนแอนะแต่เราต้องรีบ ฟื้นความรู้สึกไม่พอใจไม่พอใจในบาปที่เราได้ทำไปไม่ยินดีในความชั่วที่เราทำไปนี่เป็นเงื่อนไขสำคัญนะจะได้พ้นจากความเป็นมุนาฟวกนะไม่อย่งนั้นจนะยุ่งเลยนะยุ่งเลยถึงในบันทึกของอิหมามอนนับมุดท่านนบีซัลลัลลอฮุซัลลัมว่า“คุลอุมที่มะอาฟาอิลลัลมุจาฮีริน” ประชาชาติของฉันเนี่ยทุกคนเนี่ยอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยยกเว้นอัลมูเจฮิริคนดีแฉความชั่วของตัวเองยาบีตุยาซิลล่าฟายสตูรุห์ทมายุศบุห์ยิู้ลุยาฟุลันอินนีฟะลตุลบาระกะดวกะดวกะดนบีบกว่านไปไปแอบทาบาปแล้วอลอปกปิด a l l ปกปิดเหมือนมนุษย์ส่วนมากที่ทําบาปแอบทบําบาป a l l a ก็จะปกปิดไม่มีใครรู้ Allah เท่านั้นนะที่รู้ปกปิดแทนที่จะเห็นบุญเห็นคุณของ Allah ที่ปกปิดนะการปกปิดความชั่วไม่ให้คนรู้นี่เป็นบุญคุณไหมบุญคุณมหาศาลนตื่นตอนเช้านี่บอกว่าเอ้ย เออมานี่ด <Deus knows author suicide> <icism> ีมาเล่าให้มคืนทอะไรนี่นี่ดวมาเล่าให้ฟังเนี่ยที่นบีเรกวอาอัลมูเจฮีรีนมุฮรนมูเฮีรินจัฮระจัฮระแปว่าเผยเผยเราละมาดประเภทการละมัดของเรานี่มีสลาซิรยาแล้วก็สละเฮรียาคุณไินไหซิริยาในที่เราอ่านเสียงค่อยในละมัด ดูร ah ีอ ah <laughs> ah, oh, ัรีเนรียะแล้วก็ละม่องมาหรียะจัฮรียะที่เราอ่านเสียงดังนี่นอัลมุจฮรีนคนที่ดังดังสิ่งที่อัลลอ์ได้ปกปิดเขานี่โอ้ไม่ชอบเลแบบลับๆนี่เอาให้ดังเลยแบบที่บอกว่าทาความชั่วโอ้กูไม่กลัวใครในยะเนี่ยจะหมายถอะไรลล์ทําความชั่วเฮ้ยก ทำดิงเกก้าทํเว่ากูไม่กลัวใครหมายถึงอัลลอฮุด้วยเหรอหมายถึงในนี้ไม่กลัวใครใครใครอันนี้ไม่กลัวเ น, นี่อัลลอฮุด้วยเหรอในในบีบอกว่าประชาชาทนทุกคนนี่นะปลอดภัยอยู่ในความปลอดภัยนี่มันเป็นข่าวดีสําหรับคนที่ทําอย่างพวกเรานี่แอบทําบาปนี่นะถ้ายังรู้สึกอับอายรู้สึกละอายนี่ก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณดีนะว่าเออ ปลอดภัยอาจจะมีโอกาสที่จะเต้าบัดตัวถึงแม้ว่ายังไม่ได้เท่าบาดตัวแต่ถ้าหากว่าไม่อับอายไม่ละอายแล้วก็ต้องการเปิดเผยต้องการให้คนรู้ตรงกันแสดงความกล้าหาญในการทำบาปมารู้ใจฮินและคนที่พอใจพอใจความผิดของเขาเนี่ยก็คนเดียวนี่แหละที่พอใจความผิดของเขา ถึงจะกล้าเปิดเผยกับว่เาเขาพอใจไงมีใครที่ไหนเนี่ยนั่งคนที่แบบว่าสติปัญญาของเขานี่ปัญญาของเขานี่ยังสมบูรณ์ยังอุดมอยู่นะนั่งอยู่กับคนที่เขาเคารพนับถือแล้วเอาความชั่วของตัวเองเนี่ยมาอวดกับชาวบ้านคนแบบนี้นี่แน่นอนสติไม่ไม่ปกติแล้วปัญญาของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาแล้ว ไม่เหมือนชาวบ้านแล้วถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะนะก็ไปอยู่กับคนที่นั่งอยู่กับที่มาดินาไม่ออกไปสู้แักบดูมาแลก็ไดีก็อยู่กับกลุ่มนี้และนี่คือดิสดีแบ่งโซนที่มีสมัยท่านนาบีสั่งหล่อร้อยควาแบ่งโซนชเชกเช่นเวลาโรคระบาดนี่เราก็มีการแยกโซนใช่ไหม ใครที่ติดเชื้อนี่ก็ต้องกักไม่ให้ยุ่งกับคนอื่นทำไมไม่ให้แพ้่เชื้อฝ่ากระดูมาเไ ป, ไปน็นนั่งอยู่ตรงนน้นกบพว ก, พ, วกพวกที่ไม่ออกไปเยอะนป่ไปอยู่กลุ่มเดียวกัน น, นแล้ววินัยของผู้ศรัทธาในสังคมมุสลิมก็จะต้องเป็นแบบนี้ ถ้าเห็นพฤติกรรมที่น่าประนามในสายตาของคนสังคมในสังคมทั้งหมดนี่นะผู้สตาต้องร่วมกันบอยคอรดคนที่บังอาจกล้าเปิดเผยความชั่วของตัวเองให้เป็นเยี่ยงอย่างในสังคมถ้าเป็นต้องไปคอรคนคนนี้ไม่ใช่คนที่แอบทํำนะคนที่แอบทํำอย่างที่บอกเนะี่ยเขาก็ยังมีความละอาย อาจเป็นแนวทางในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้ไม่คนที่กล้าเปิดเผยก็ต้องบอยคอัเปิดเผยต้องบอยคอั้งเอามาจากไหนนี่นะฝึกอดุมาลกอดีนพี่นุ้มไม่ต้องมายุ่งกับพวกเราแล้วถ้าเราไปจ่ายทำไมเอาไม่ออกไปไม่ไมายทำงานศาสนาก็เหมือนจ่ายนี่แหละบุคคลที่เป็นภัยในการทํางานศาสนาเนี่ย เป็นคนที่ชอบสร้างฟิตหน้าชอบดิงทาคนอื่นเป็นชอบวิจารณ์คนอื่นสร้างความแตกแยกในหมู่คณะเพราะนั่นก็ต้องแยกแยกเพราะการที่จะให้เขาเนี่ยเข้ามาทำงานกับทุกกลุ่มทำงานศาสนาเนี่ยมันก็จะเกิดภัยหรืออันตรายหรือความเสียหายในงานศาสนาโดยรวมคนที่มีพฤติกรรมไร้มารยาทในการทางานศาสนานี่ไม่เหมาะที่จะเป็น นักดาอีเป็นคนทำงานศาสนาใครไปโรงพยาบาลไปบอกกับพ่ออโรงพยาบาลบอกว่าโอ้ท่านพ่ออนี่ผมไปดู YOUTUBE หมดเลยนี่เนี่ยผมรักษาได้นะผมผ่าตัดเป็นผมดู YOUTUBE หมดเลยวิธีรักษาเนี่ยผมผมขอสมัครเป็นหมอนี่มาพ่ออเนี่ยบอกนู่นเะนี่ยไปนั่งู่นู่นนะู่นนู่นเนี่ยไปอยู่ พวกไอ้พวกทะลึ่งเนี่ยนะั่อยู่ตรงโน้นทำไมอ่ะคือจใจเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็เอาชีวิตของชาวบ้านนี่มาอยู่กับคนที่ศึกษาทางทางยูทูบเบอร์ลองคิดดูสิประมาณนี้ทำงานศาสนาวิจารณ์เรื่องศาสนาพระตัวเรื่องศาสนานี่ แต่ความรู้นี่มาจากไหนอ่ะมาจากมึง ก, กับกูมึงนี่ก็คื อ, อยูยูทูบนะกูนี่ก็คือกูเกิลมึงกับกูยูทูปกับกู o กิลวนอยู่กันวนอยู่กับเรื่องนี้เรื่องความรู้เรื่องศาสนาเรื่องฟัดตาัาเรื่องอะไรต่างๆนี่ก็วนอยู่กับเรื่องนี้ ไม่ได้สืบทอดความรู้ไม่ดีเรียนรู้ความรู้สืบทอดมรดกรัศมีมรด ก, รรกท่านนาบีสุลต่านอเลสันลีอย่างถูกต้องทำไมศาสนาอิสลามจะไม่มีแต่ละกีไม่มีสืบทอดนี่วิชาแพทย์วิชาวิศวกรวิชาอื่นๆื่นะนะเขายังสงวนสิทธ์เลยเนอะจะเป็นวิศวกรจะเป็นแพทย์เนี่ยต้องต้องมีใบอ น, นุญาตต้องมีอิจ aza ต้องมีญจ้าเสต้องมีสนันนต์นะเรียนแพทย์นี่กับใครอาจารย์มึงกับใครอย่าใครอาจารย์ที่สอนผาตัี่เป็นใครแต่ศาสนาในสายตาทาั้งหมดถ้าไม่มีค่าเลยอยนน่นั้นก็เป็นแบบนี้แหละและเรื่องนี้เนี่ที่ทำให้เกิดผิดหน้าในโลกมุสลิมในสังคมแบบนี้แหละครับอันนี้นี่โดยรวมนะต้องบ o y c o t อันนี้หละการรวมบ o y c o t คนที่เคยเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีพวกมุนาวิเกนเนี่ยหรอกก็ดูมาค่ะไ ป, ไปอยู่ที่ไปอยู่น่ยไปอยู่และอายะลันจากนี้เนี่ยจะจบจงจบจงการรับรองบางอย่างที่สังคมจะรับรองผู้ศรัทธานี่นะสำหรับมุนาวิกนเนี่ยไม่แล้วไม่รับรองอีกแล้วต่อไปนี่ไม่รับรองแล้ว หลักการทั่วไปนี่ก็คือไม่ไม่เอาไม่อยู่ร่วมกันหือตะพาณนี่ก็แบบว่าแกแกะมาละหมาดก็ไม่ว่าแต่จะมาสนิทสนมว่าฉันน่ยไม่ไม่สนิทกับมุนาภิกหรือมีข้อสงสัยว่าเป็นมุนาภิกแม้วแต่ที่จะมาเจาะจงเรื่องการรับรองนี่ก็คือเรื่องละหมาจนะซ่ามุนาฟิกเนี่ยไม่ให้ละหมาจนะซ่าอีกแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยท่านนบีเนี่ยเคยละหมาจนะซ่า และเป็นเหตุการณ์หรือเป็นกรณีที่มันดิ่นชัดมากในชีวประวรติท่านนายบิสซุลลอฮฺซึ่งตีไปละมาจะนะซะให้ผู้นามุนาฟิกีที่ทราบว่าเขาเรียกนั่นระซุนนิฟะระระซแปลว่าหัวหัวก็หัวหัวหน้านั่นแหละระซุนนิฟะหัวหน้าของมุนาฟิกีนอับดุลลอฮฺอับดุลเบยินซล ผมเคยเล่านะอุดารณ์ในวนิเนสเลิศเนี่ยชาวมดีนะ่ะที่มีชื่อเสียงร่ำรวยอำนาจบา ร, รมีล้นฟ้าก่อนที่ท่านน บ, บีมุฮัมมัดจะอพปยบมามาดีน่าเนี่ยเขาจะสถาปนาแล้วนะเขาเขาสร้างเครื่องประดับประดาจะแต่งตั้งอุดุลลอณ์นซนนีเป็นกษัตริย์ของมดีนะ่ะเป็นเจ้าเมืองพอท่านน บ, บีมุฮัมมัดมาเนี่ยเรื่องนี้ก็ล้มเหลว น่นอนอัล่านิเวุลก็ตอก็ต้องรู้สึกไม่พอใจแน่นอนแลวก็รู้สึกอิจฉาท่านนบีสุลตัลละฮ์อัลเลฮุสซาลลัมได้ตลอดและก็เคยมีบุญคุณกับท่านนบีก็คือช่วงสงครามบัตลุงของท่านนบีอัลอาบบนอับดุลมุตลิบเนี่ยเป็นมุสลิมอยู่ที่มักกะแต่อพยพไปอยู่กับท่านนบีไม่ได้ พวกกูเลชเนี่ยน like ี way, so, to ่จกว่าอาราบัสนี่มีเงินมีทองเยอะเขาก็เลยไม่ให้อุปยุกเพราะเกิดสงครามบาตักไดเลยบังคับอาราบัสนี่ให้ไปสู้รบกับชาวกูเลชกับเจ้านมีเนไหมพอไปสู้รบแล้วเนี่ยตกเป็นเฉลยศึกตกเป็นเลยศึกนี่พอถูกจับแล้วเนี่ยอารบัสไม่มีเสื้อจะใส่ عبدullah นี city, de ่สัลูนนี่นี่นนเขาหนามนาฟิกีนะเขาเ็เห็นอาบัสมันเคยเห็นว่านี่เป็นลุงของท่านนบีเอยากจะทําบุญกับอาบัสมนตใหญ่ท่านอาบัสนลุงท่านนบีตใยญ่ตหญ่แล้วก็เสียงดังด้วยในสงครามตออิฟเนียอาศัยอับาสี่ยพอสัฮาบส่วนมากเนี่ย กองทัพเนี่ยพ่ายแพ้แล้วก็กระจุยเลยหนีกันไปหมดเลยนะหนีกันหายไปหมดเลยท่านนบีสังกับอับบาสบอกว่าเรียกเรียกยะอัลบดยะอัลอฮฺดยอับบาสก็ใช้เสียงดังดังดังลั่นแบบว่าทุกพื้นที่เลยมากันอับบาสเป็นตัวใหญ่เสื้อใครซาราบานี่จะมา ถอดให้เขามัตัวเล็กมีดา อ, อับดุลร่ำอุบไนซูลที่ตัวใหญ่เหมือนอันบดุบาสเขาก็เลยถอดเสื้อให้อับดุบาสท่านนาบีก็เลยถือว่า เ, อาเป็นบุญคุณที่เขาทําดีกับลุงของท่านนาบีพอเสียชีวิตเอะพอก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยลูกของอับดุลร่นอุบไนซูลเนี่ยซึ่งเป็นสาวะเป็นรูสัทธาไม่มี เขาก็มาหาท่านในบิบกบอกว่านี่คุณพ่อจะตายแล้วถ้าท่านไม่ทําความดีกับเขานี่ที่มาดีน่าทั้งหมดเนี่ยเขามอกนะดูเรื่องหนุ่ยเสือเนี่ยเป็นบุนาฟิกถ้าท่านไม่ไ ม, ไม่อภัยโทษไม่ขอด่วนอภัยโทษไม่ทําอะไรดีกับท่านนี่นะเราเนี่ยจะถูกพระพุทธจาจะถูกกําหนิว่าพ่อนี่คือเราจะน่าเฟะเลยเหกัน ท่านน บ, บีก็เลยไปเยี่ยมอาบดุลเลาะมีสุดุลแล้วก็ถอดเสื้อของท่านเพื่อแทนบุญคุณที่เขาเคยทำกับลุงแล้วก็ขอพยโทษให้เขาแล้วพอแกเสียชีวิตนี้ก็เลยละหมาดฌาาจาร์บางแรงงานบางแรงงานบอกว่าพอหลังจากเสียชีวิตแล้วเนี่ยท่านน บ, บีอาอบูดุลเลาะมีสุดุลนี่มาวางบนตัก คนตกนในบ้างเรงานตอนที่ฝ <friendly Control reste> ัง <SQL> น <tasting> ี่ท่านนบีก็ไปอยู่แล้วก็ขออุทิศบิณให้เขาหลังจากที่กบหลุมศพไปแล้วด้วยก่อนที่ท่านนบีจะละหมาดจนาซาเนี่ยอูมาร์อับนุลขตอบนี่มาดึงเสื้อท่านนบีดึงเสื้อท่านนบีอะลัย ل ะสุลลอฮฺุลสลีอัลารนผ้นบีจะละหมาดคนนึงถือว่าเป็น แกน้ำของมูนาฟิกีนเลยเหรอเขาเคยทําอย่างนี้เขาเคยพูดอย่างงี้กันนะไม่ใช่หรือท่านาเบียก็บอกว่าเขาถุยยึดตักตัดตัฉันเนี่ยถูกเสนอให้เลือกก็คือที่อัลลอฮ์บอกว่าอิสลามให้เลือกเอาแหละอิสลามให้เลือกท่านจะขอไปโทษหรือไม่ขอไปโทษถึงแม้ว่าไม่มีประโยชน์นะแต่นบีถือว่าอัลลอฮ์ให้เลือกและท่านก็เลือก a ห้เกระว่าอสกฟาร์หรือไม่อิกฟาร์ถึงแม้ว่าทั้งสองกรณีเนี่ยไม่เป็นประโยชน์สาหรับเขาเนี่ยแต่นบีเลือกจะอิสกฟาร์ทไมเดี๋ยวนี้จะที่มาให้ทีนึงแต่นบีก็เลือกเลือกที่จะอิสฟาร์บอกกับท่านอฉันนั้เลือกแลวก็ละหมาดให้แน่นอนเพาท่านนบีละหมาดให้ส่อว่าท่านอื่นที่เห็นก็ละหมาดละหมาด ตาม تنبى แน่นอน،แต่หลังจากนั้นเลย،หลังจาก ن ب ى และ باد เลย ،الله بارثان ลงมา ي ا ن ى يا ب س ب س ى نصر التوبة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما توهم ف س ق و ن ت و ت ن يا لمعان، وقلب جنازة. เจ้จงยาละหมาดยนาซให้แก่คนใดในหมู่พวกเขาที่ตายไปหมู่พวกเขาคือพวกูนาฟิกยาละหมาดอย่าได้ละหมาดยานาซ่าให้พวกเขาอับดันเป็นอันขาดอับดันต่อจากนี้เนี่ยห้ามเป็นอันขาดที่จะละหมาดยานาซ่ให้พวกนี้เลาตะกุมฮาลักบรและจงอย่ายืนที่หลุมศพกับรีอุบร์ แล้วตะกุมกิยามายืนอย่ายืนแล้วตะกุมอย่ายืนที่หลุมศพของเขาอย่ายืนที่หลุมศพของเขาด้วยซึ่งเป็นสุนนะของท่านนาบีสลุลต่าละมาอิเลาะละหมาดแล้วหลังจากฝังเนี่ยให้ยืนขอถวายพระสุนนะนี่เหมือนที่ขงบุคคอดี เลมุสลิมท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมมัน صلاة على جنازة การละหุกิรตผู้ใดที่ละหมาดจันทราอย่างเดียวนะเขาจะได้ผลละบนหนึ่งกรับกรับกรับนี่เราใช้เป็นเป็นค่าของของทองใช่ไหมเพชรด้วย เตอร์เพชแล้วก็ทองเนี่ยอะไรอะไอ้ไอ้ยี่สิบสี่เคเคนั ก, กระดับะใช่ปะเป็นอะไรก<ท>ั่ใช่แต่เคอะไรนะมันยอดจากอะไรอะเคนี่มันยอดจากอะไรผมเข้าใจว่ายอดจากกระดับเหงินนะเพราะที่ต่างประเทศนี่ยเขาก็ทองคำเขาก็ใช้กระดับเหมงินกระดับนี้มันก็คือสัดส่วนไงความ ละเอียดอย่างทอง 24K ก็คือที่มีสัดส่วนทองมากกว่า 90% ้อร์ซข้อมูลทั่วไปนะไ ม, ไม่ละเอียดมากนะคร่าวๆแต่กระดนันี้นีในในภาษาอับเนี่ยตีรอดอาจจะอ่านถ้าจะอาจา่านตามสำนว น, านบารกระดัดแต่ตีรอดเนี่ย กีรอเนี่ยมันเป็นค่าที่ใช้กับบางทีใช้กับที่ดินที่ดินแปลงหนึ่งประมาณหนึ่งงานเนี่ยเขาได้กับกีรอดประมาณนั้นนะหรือใช้เป็นค่าของเพชรพลอยสิ่งที่มีค่าเนี่ยถ้ามันมีคุณค่าสูงเนี่ยดีกว่าตีรอน บ, บีหมายรวมว่าคนที่ละหมาดยานาซาอย่างเดียว ได้หนึ่งกระดับนี่คือมีผลบุญอันมีคุณค่าใหญ่หลวงและคนที่ละหมาดยนาซาละ้กะ็ตามมัยตเนี่ยจนไปฝังแล้วก็ขออุทิศให้เขายืนุในหลุมศพที่หลุมศพขอด้วยเขาเนี่ยและฮูกิโรตอนมีมีผลบุญสองเท่าก็เหมือนที่เราเหมือนที่เราก็งงๆกันว่ากิโรต์อะไรแค่ไหนอ่ะแค่ไหนอะ สหฮาบะเขาก็ถามท่านนบีมัลกีรอตุกีรอดนี่คืออะไรอ่ะนบีก็บอกว่าอัลกีราตุมิสลุจเบลิอหุดกีรอดนี้เท่ากับภูเขาอหุดพอูุดเนี่ยไม่เหมือนบ้านเรานี่ไปกับีนี่เห็นภูเขาเป็นลูกๆกันะไม่ใช่นะแต่ภูเขาเนี่ยในประเทอาหรับเนี่ย ไม่ค่อยมีนะภูเขาที่เป็นลูกๆลูกๆเล็กๆในเหมือนบ้านมันไม่มีนะภูเขาเนี่ยที่ประเทศอาหรับเนี่ยส่วนมากนี่มันจะเป็นหลายลูกติดๆกันนะ่ะถึงจะได้กว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภูเขาหนึ่งลูกภูเขาโอ้คดเนี่ยความยาวของมันเนี่ยเจ็ดกิโลวความกว้างของมันเนี่ยเกือบหนึ่งกิโลถ้าไปดูจากดาวเทียมเนี่ยภูเขาโอ้คดเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่ตารางกิโลเมตร น, ะนั่นนะ่ะหนึ่งลูกอย่งนั่นหนึ่งตรอ ละหมาจนาอย่างเดียนะแต่ละหมาจนา ز แล้วก็แล้วก็ตามไปถึงกุโบแล้วก็ไปฝังเนี่ยนะสองกิรลบางทัศนะบอกว่าไม่ๆๆ่แต่จะได้สองกิอลนี่นะต้องพามายิตเนี่ยตั้งแต่ออกจากบ้านของเขาหรือจากที่ที่เขาอาบน้าแล้วก็กะฝันนี่นะพาจากตรงนั้นน่ะไปยังที่ละหมาดจนา زا แล้วก็ที่ละหมาดจนา زا เนี่ย ไปฝังหลังจากฝังนี่ขออุทิศนั่นได้สองลูกไม่จะเป็นต้องไปมัสยิดเพราะละหมาดเจนาซไม่ต้องละหมาดเจนาซาที่มัสยิดนี่เป็นสุนทาของท่านนาบีทากับมุสลิมทุกคนเป็นคนใหญ่โตเศรษฐีมีบารมีหรือเป็นคนชาวบ้านธรรมดาผี้หญิงคนหนึ่งผิวดำ ทำความสะอาดในมัสยิดของท่านนะีในแรงงานบอกว่าการตะกุ่มมัมสยิดต่ว่าไม่ได้ทำความสะอาดอย่างเดียวนะคือคอยมีเศษอะไรนี่อะไรเก็บเก็บมีศษอะไรมีขยะอะไรก็จะเก็บตลอดก็แสดงว่าเป็นคนคนรักษาความสะอาดของมัสยิดเนะี่ยคืคนมีหน้าตาในสังคม เสียชีวิตช่วงกลางคืนศาบาก็เลยรีบอาฮียะพีน่น้องวกว็เลยรีบอาบ น, น้ำยันาซา่าหนิละหมาดยันาซ่าไปฝังตื่นเช้านี่นบีก็ให้ผู้หญิงที่ทำความสะอาดีิมสัสเนี่หายไปไหนอะ่ะนบีก็จะเห็นบ่อยเงินทำความะสามะอาดดูแลความสะอาดนิมัสหายไปไหนอะ่ะเขาก็บอกว่าเสียชีวิตไปแล้วเมื่อคืนแล้วก็เราไม่ เกรงใจท่านนบีไม่อยากจะรบกวนเพราะว่าทําไมไม่บอกฉันฮัลลาอร์ั้นตูมูนีทําไมไม่มาแจ้งฉันนะ่ะนบีก็เลายวิ่งไปไปบักีอัลกรกดกูโบนี่ที่อยู่ใกล้มัสยิดนบีนะแล้วก็ไปละหมาดจนาซะให้ท่านแล้วก็ขอดูอาให้ท่านและนี่คือดล ي ل หลักฐานว่าเราสามารถละหมาดจนาซะบนกุโบหลังจากที่มายิ้นถูกฝังไปแล้ว ทศนันหนึ่งบอกว่าอนุญาตถ้าผ่านไปเพียงสามวันทศนันหนึ่งบอกว่าหนึ่งเดือนทศนันหนึ่งบอกว่าตลอดไปอยากเราเสียชีวิตเราอยู่เมืองนอกเมืองนากลับมาไม่ทันไครก็ละหมาดจันทซาไปถ้าเรากลับมากลับมาเมื่อไรเรียนเสร็จแล้วนี่ผ่านไปแล้วปีสงปีละหมาดยังละหมาด จ, นาจดันทราถ้ายังไม่ได้ละหมาดนะละหมาดจันทซาได้หลักฐานนี้ แสดงว่าคนไม่มียศในสังคมนนบีก็ไปยืนที่คูโบขอดูอาขเขาซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราต้องเธอต้องมาคุยกันต้องมาคุยกันในบันที่ขวางบุคครีและมุสลิมท่านนบีสลอัลลอฮฺเลวซัลลัลลอมันซัลลมันเชิดะล์จนะซาตะอีม ا ن น์นวะอัพติซาบันอิศะบนูอัน ผู้ใดที่ไ <pack> ด <OR> <com> ้ไปแล้วมาจะอีมานศรัทธาอิทธิซาบบรรหวังในผลบุญจากอัลลอฮ์เนี่ยก้าในละฮูกีรอตอีมานั่าอทธิซาบนีคุณคุ้นมคุณคุ้นไหคำเนี้ยมันเหมือนมันซ้อมมรณะน่ะอีมานั่าอิทธิทาบนเหมือนกันเลยนี่น เหมือนกันเลยศรัทธาในบัญชาในคําสั่งว่าให้ละหมาจานาซัยติซาบัหวังในผลละบุญจะกอไม่ใช่หวังซองนะไม่ใช่หวังว่าไปแล้วนี่มีกินแน่นี่กุรุมายแน่แน่เลยมีแกงกุรุมายอย่างน้อยนี่ก็มีข้าวเหนียวมีมีแน่แนละไปละหมาจนาซัแบบนี้แต่ในสังคมน่ะอย่าว่าอย่าว่าภูเขาลูกนึงก้อนหินนึงก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่า ก็ไม่ใช่อีมานั่นแล้วก็ไม่ใช่กติสัมพัหรือไปเนี่ยเพราะหวังในชื่อเสียงกูมาละหมาดแล้วหน้าในแต่กูต้เนี่มึงมาละหมาดให้กูบ้างอะไงเงี้ยไม่เกี่ยวละหมาดว่าเราไปละหมาดเจ้าหน้าจ้านี่เราหวังในผลบุญของกันละหมาดนะเช็คเช่นที่เราทำความดีกับพี่น้องเราเนี่ยเราไม่ได้ทำเพราะเราหวังอะไรจะเข้านเนี่ยเราหวังจากอัลลอฮ์เท่านั้น บริจากสดก็จะขาดที่เราไม่ได้หวังจากคนที่เราเราหวังจากอัลลอฮ์อีมนันตันหะติซาบันทีนี้มันต้องเปลี่ยนสิ่สงัสงคมของเราเนีแย่มากเลยเปารีดประเพณี ท, ท, ที่ต้องแจกตังแจกอาหารให้นูน่นให้นี่หรือหวังในชื่อเสียงเกียรติยศคนดังหน่อยนีย่ก็ต้องไปคนไม่ดังนี่ก็ไม่ไปก็ได้ ไม่เสียหายแต่ถ้าคนดังไม่ไปเนี่ยเขาดา่าเราต้องไปที่ของแบบนี้เนี่ยผมนี่พยายามเนี่ยที่จะปรับปรับตัวเองให้ได้เนี่ยเพราะมันเงื่อนไขในสังคมเรื่องนี้เนี่ยมันกดดันจริงๆกดดันจริงๆผมไม่ผมไม่ปฏิเสธในะเรื่องนี้เนี่ยมันส่งผลต่อการการงานอบาดาะไรบางอย่างนี้มั น, มนรู้สึกรู้สึกอับอายมากเราต้องปรับปรุงตัวเองให้ได้ ได้ยินมียานาซ่คนไม่มีชื่อเสียงไปเถอะไปเพื่อพิสูจน์กับตัวเองว่าเราไม่ได้ไปละหมาดยานซพอคนรวยอย่างเดียวพอคนดังอย่างเดียวพอคน ไ, ไม่ท่านคนที่มีชื่อเสียงไม่มีและจะและจะรู้และจะรู้ว่าสังคมของเรานี่แย่ขนาดไหนคนดีคนซนและคนมีตะก u าคนแบบว่าโอ้ไม่มี ขอติแม้แต่น้อยเนี่ยพอไปละมาดนาซานี่ซอน่ซอน่แต่คนดังนักการเมืองคนรวยเศรษฐีเนี่ยนะโอ้โิษเนี่ยล้นล้นทังทงเี่เราก็รู้กันว่าศาสนาเข้าไปยังไงก็มอก็ก็มีศาสนาแต่ไม่ใช่คนมีตะก u าไม่ใช่คนมีมีความบกพร่องเยอะแต่ก็ อำนาจเงินมันชนะอำนาจเงินมันมันกบทุกอย่างมันเหมือนมีแม่ทัพคนหนึ่งเข้าไปยึดประเทศอีบชาวบ้านก็บอกว่าสายตระกูลของท่านนี่ท่านเป็นใครสายตระกูลนี่เป็นไงแล้วก็อำนาจของท่านนี่เอามาจากไหนเขาก็ชักดาบนี่คืออำนาจของข้าพเจ้าเรา เ, าเงินทองแล้วก็เกลี้ยง นี่คือสายตระกูลของข้าพรเจ้าอำนาจเงนินนี่นะคนไม่มีไม่มีตระกูลแต่เธอเงินละ่ะโอซื้อตระกูลได้มีอำนาจนะขอให้เป็นคนชั่วอำนาจนี่เอาอยู่เอาอยู่นี่อับดุลลอฮฺอิบนีบยบัยอิบเนสลูล ั l เ um, um ja, a าให้เป็นบรรทัดฐานเลยท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮุอะสสลัมถูกเลือกให้เลือกอิสักฟิร์เอมเอาอะไรแตสักฟิรอมะเขาไปดูแลวไม่ว่านบีเบอกกัเลือกบางรงานอี่มาคุรุบีบอกว่าในหนังสืออัลมกอซีหนังสือชีวประวัติของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะสสลัมเล่มหนึ่งท่านนบีบอกว่าที่เลือก ดูอาขอพระยโทษให้อับด er. well, well. ุลลออิบินอุบัยบินอิสลูลละละมาจจะนะให้เขาเนื่องจากว่าอับดุลลอบินอุบัยบินสลูลเนี่ยเป็นเผ่าขัรและเผ่าคัจรเนี่ยมันมีอยู่อาตกูลในรายงานเนี่ยบอกว่ามีอยู่พันยังไม่ได้รับอิสลามหนึ่งพนคนยังไม่ได้รับอิสลามที่ท่านนบีทานีรู้ว่าอิฟและละหมานี่ไม่มีประโยชน์สาหรับเขา แต่หวังว่าไอพันคนเนี่ยจะรับอิสลามเพราะนาบีเอาใจผู้นําของเขาปรากฏว่าด้วยห น, นึ่งพันคนนี่เขารับอิสลามจริงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ตอนแรกเนี่ยอัลลอฮ์มอบหมายท่านนาบีวีนิฉัยเหมือนที่ตอนที่ท่านนาบีอยู่ที่มักกะแล้วก็นั่งอยู่กับคนเศรษฐีในกุเรชแล้วก็เอแบบ็มน่อุมักตูมเนี่ยคนตาบอดเนี่ย มาขอคุยกับท่านนาบีให้นบีสอนหน่อยนบีก็เลยรู้สึกว่ามันจะเสียจังหวะนี่เขากำลังคุยกับผู้นํากูรชเนี่ยแต่เขาพวกนี้เขารับอิสลามแล้วเนา่ามันจะรับอิสลามทั้งหมดเลยท่า น, นี้จะมาคุยกับคนตาบอดนี่มันจะคุ้มไหมนบีก็เลยแบบแสดงสีหน้าที่ไม่ค่อยดีแตเ ป, เป็นข้ออุ้ยนิชัยของท่านนาบีสัลลัลลอฮุสซาลลัมแต่อัลลอฮุสซาลาห์อะวะดานะไม่ให้เรื่องนี้ผ่านก็เลยแจ้งนบีว่าที่ท่านนาบีทํำนี่มันไม่เหมาะ อาบสัตว์ทวัลอันเจ้าของอาเมขุมมัยรีกาลัลลอย่าะแก่ชินเดียวกันที่ถ้า ي วินิจัยว่าจะละหมาดยันาซ่าให้ก็เรื่องวินิจัยแต่พอทาแล้วนี่นะมาให้เป็นบทเรียนประทานคุณอ่านลงมาเลยเล่าตุซลี่ต่อไปเนี่ยอันนี้ครั้งนี้ผ่านไปนะแต่ต่อไปนี้เนี่ยโดยโดยเด็ดขาดนะไม่ให้ละหมาดกับมุนาฟิกีนอีกแล้ว เฮียบพอินนุมกัฟารูบิละห์วะรษูลีอันดับเหตุผลอินนุมกัฟารูบิละห์วะรษูลิีแท้จริงพวกเขานั้นได้ปฏิเสธศรัทธาต้องไม่ลืมนะว่าที่เราพูดถึงกลุ่มมุนาฟิกีนี่คือคือมุนาฟิกฮอลิสอันนิฟักมุนาฟิกที่หัวใจของเขาเนี่ยมืดสนิท แล้วก็ที่เขาทำข้างนอกนั่นน่ะนั่นน่ะปัญหาของมุนาภิกภายนอกนี่เป็นอิสลามแต่ข้างในอ่ะนะปฏิเสธสตากาเฟตเราพูดถึงกลุ่มนี้นะไม่ใช่กลุ่มที่หัวของเขาในมี إ ي م านแต่พฤติกรรมบางอย่างเนี่ยอาจจะบ่งถึงความเป็นมุนาภิกเช่นโกหกผิดสัญญาอย่างที่ท่านอนะบดุลเบอกลักษณะของมุนาภิกนี่นนี่ไม่ใช่ที่พูดถึงตรงนี้เนี่ยที่ไม่ให้ละหมาดให้เขาอ่ะนะเดี๋วไม่ใช่ไปเจอนี่ในะคนนี้โนอะ้ โกหกตอนแล้วอย่าไปละหมาดยานาไซมาทำไมเขาบอกมุนาภิกนาบีมองเขไม่เหละหมาดยานาไซมันไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มนี้ไอ้พวกแพ้ชนแก่นี่ในสมคมของเราเนี่ยเยอะมากเลยนะนี่หมาดหมาดล่าสุดนี่กลวไม่ควานีหลงผิดกูหลงผิดเพราะอะไร หลงผิดนี่พวกก็เร็่งความเชื่อคนที่มีความเชื่อผิดเพี้ยนเนี่ยไม่เพียงพอที่จะเรียกเขาว่าหลงผิดปัญหาของคนดีอ่ันไม่หมดเรียนไม่จบนี่นี่ปัญหามุนาฟิกีนสมัยท่านนาบีเนี่ยบางคนนี่ก็มีมีความเชื่อที่ผิดเพี้ยนแต่เขาไม่ถึงหัวนใจเขาเนมืดสนิทเหมือนพวกนี้ไม่ใช่ หรือคนที่มีความเชื่อบางอย่างบางอย่างที่ไม่ถูกต้องไม่ถึงขนาดที่จะหลงผิดเหมือนอุลมามะเหมือนยุคตะบิฮินอุลมามะชื่อเสียงอัลลุสุนนะวะลจมามะระดับผู้นำอลุสุนนะวะลจมามะมีความเชื่อบางอย่างเนี่ยความเชื่อนะอาอัติได้นะแต่มันไม่ใช่เรื่องหลักศรัทธาไม่ใช่รูปูนอิมาน มันเป็นเรื่องฟูร่วมันเป็นเรื่องหลักย่อยๆของของความศรัทธามีโอกาสที่จะผิดเพี้ยนไ้ยมีแต่เขาไม่ถึงขั้นที่จะหลงผิดและเมื่อไหร่จะถือว่าหลงผิดหลงผิดนี่ก็คือเรื่องเรื่องหลักศรัทธาเรื่องใหญ่ใหญ่กุมิควานเนี่ยหลงผิดหลงผิดเพราะอะไรหลงผิดเพราะอะไรออเพราะฮัสซัลบันนันเคยเป็นซูฟี โอ้ซฟีทำอะไรอ่า้โอ้ซฟีนี่เสิระกรุก่นละกตเตนกตเดนคนที่กะเตนนี่ก็ถือว่าหลงผิดเลยล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชแล้ต้องแยกนะคนที่หลงผิดเนี่ยมีมันมีสองหลงหอ่ะลสองหลงหลงผิดในประเด็นนั้นเช่นไปเชงใหม่นี่หลงไปพิสุนุลุ อันนี้ เ, นเรียกว่าเขา้ก็หลงทิปนี้เนี่ยทิปนี้เนี่ยที่หลงแต่จะไม่เรียกว่าเฮ้ hey, เองมัว่วไปไหนกันหลงงั้นนะเราสามารถพูดได้ไหมเฮไปไหนกันหลงไม่ใช่เขาหลงเฉพาะตรงนี้เฉพาะทิปนี้เช่นเดียวกันใครผิดอะไรเรื่องไหนก็หลงเฉพาะอันนี้เรียกว่าหลงได้ได้มีปนะัญหาเพราะเรื่องนี้เนี่ยหลงกันนังๆไม่มีใครไม่หลง มีใครไม่หลงยกเว้นบรรดาอบเบลรัสูนแล้วแต่สฮาบะมีความผิดไหมมีส่วนที่เขาผิดนี่ก็คือหลงตรงนั้นทุกความผิดนี่ถือว่าหลงนี่นี่หลงหนึ่งหลงนะแต่หลงนี่หมายถึงว่าหลงทั้งชีวิตหลงทั้งศาสนาเนี่ยที่อยกจะได้กวดอลอันนี้เนี่ยต้องหลงทั้งหมดเลยนะหรือหลงในเรื่องใหญ่ๆรักุนอีมาอะไรเงี้ยเอ้ยเรื่องนบเรัสูนเนี่ยฉันยังไม่เคลีย น, นีหลงถึงแม้ว่าศรัทธาเรื่องอื่นครบมนะ้ยังไม่เคลียเรื่องเดียวนะอันนั้นหลงหลงหมดอีควานหลงเรื่องนี้ไม่ใช่ที่เรากำลังพูดจริงเรจะไม่แพ้ชนแก่นะเพราะบ้านเรานี่เรื่องนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะพอเห็นใครมีพฤติกรรมของมุนาเบียนเส้นสัผิดสัญญานัดสี่โมงมาห้าโมงนัดเล่นบอล ก่อนมันกริบมาหลังอิชานี่มึงกัมุนาฟิกลเลยแหละพอไม่มาเล่นบอลตรงเไปแล้วมุนาฟิกแล้วเนี่ยโอ้องทีเนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเน่มาใช้ทำเรื่อง น, น ะ, เ, งะเล่นหมกรกมัมกหมกคัดอะไรพวกนี้เฮ้ยอย่าโกงอย่าโกงเรื่องเล่นเนี่โกงไปเหอะไม่บาป ม, มันเรื่องเล่นมันเรื่องเล่นเน่ยเล่นบอลอะไรเฮอย่าโกงอย่าโกง เรื่องบอลนี่ไม่โกงกัินนะแต่ที่ที่ตั้งนี่นะโอ้ยโกงเละเลยแต่ไม่กล้าพูดไงว่าโกงใช่ไหมไม่กล้าพูดะแต่เรื่องไอ้เรื่องเล่นเรื่องเกมเรื่องอะไรเนี่ยโกงกันเละเลยไม่มีปัญหามันเล่นเล่นนะมันไม่บาสมั้ยเฮ้ยอย่าโกงดิบุนาวิกนักมันเป็นมุนาบิกนะไม่ใช่อย่าเอาแพะชุบสุกแกนไม่ใช่ เราพูดถึงมุนาภิกตุมีเนี่ยมืดเลยเนี่ยหัวใจเนี่มืดเลยเนี่อันนี้เนี่ยละมาจนาใเขาไม่ได้แต่ถ้าเราเจอคนไอ้คนโกหกตอนแหลวคนผิดสัญญาอะไรเนี่ยไปละมาจนาใจเขไม่เอาคนนี้เนี่ยโอโกหกตอนแล้วผมไม่ละมาจนามันไม่ใช่ไม่ใช่นะว่ามตัวหุ่นสิพูนเสียชีวิต พวกเขาเนี่ยได้ตายเสียชีวิตลงขณะที่พวกเขาเป็นผู้ละเมิดฟาซิกเนี่ยมาฟาซิกเนี่ยละเมิดแล้วผมบอกเคยบอกว่าฟาซิกเนี่ยมีอยู่สองนัยยะในศาสนาฮิสลามในคุฎีเนี่ยเรียกว่าฟาซิกนี่ผู้ละเมิดที่เป็นกาเฟทที่ตกศาสนาอนี้ก็เรียกว่าฟาซิกแล้วก็เรียกกับคนที่ละเมิดหมายถึงว่าทําบาปอย่างเดียวเพราะถือว่าละเมิดเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นกาเฟท และอันนี้เนี่ยที่นิติศาสตร์เนี่ยจะเอามาใชา้โดยเฉพาะคนที่ทำบาปใหญ่คนที่ทำบาปใหญ่ไม่ตบวัดตัวทำบาปใหญ่อย่างเปิดเผยทำบาปใหญ่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนี้เขาจะได้กเกิดฟาสิกซึ่งผลของฟาซิกในฟาซิกนี่เป็นวลีไม่ได้เป็นพยานไม่ได้ต้องระวังนะมึงคนเน่ เฮ้คนนี้เป็นกาเฟตหรือฟาซิกอ๋อไม่ได้กาเฟตหรือเป็นฟาซิกอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจนี่เขาเป็นฟาซิกไม่ได้เป็นกาเฟตคนที่ไม่ละหมาดนะนะเขาบอกว่าอุลลามะเขามีคีลาคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยเป็นกาเฟตหรือเป็นฟาซิกอ๋อไม่ได้เป็นกาเฟตหลอกเป็นฟาซิกอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ได้เป็นกาเฟตนี่แค่ฟาซิกฟาซิกนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะฟาซิกเนี่ยเป็นพยานไม่ได้เป็นวลีไม่ได้เป็นผู้นาไม่ได้ ผู้ดํารงตําแหน่งในสังคมไม่ได้เนี่ยฟาสิกระบุชัดเจนในเงื่อนไขของผู้ที่จะดํารงตําแหน่งในสังคมเนี่ยเป็นฟาสิทไม่ได้นะครับพอได้พูดตัวไปเนะี่ยอย่อต้องบอยขอดนะพวกมุนาวิกนะแล้วก็ จ, อจ่อจงวัลละเอะละหมาดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ใช่บอยขอดธรรมดาละเจนาซ่านี่ในจิตวิ ญ, ญญาณของพวกนี้คือคือบั้นปลายจุดจบที่ ท, ที่จะต้องแบบว่าให้มันต้องสวยงามที่สุดแล้วมาจนาซ่ามีคนมาละหมาจนาซ่าเนี่ยื้มดิท่านนาบี บ, บอกว่าบุคคลที่ละหมาจนาซ่าสี่สิบคนนี่มาละหมาจนาซ่ยืนยันในความดีของเขานี่คนนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะอัลลอฮ์จะให้อภัยโทษอีกแรงงานหนึ่งบอกว่าบุคคลหนึงน่งหนึ่งร้อคนมาละหมาจนาซ่ให้เขาเข า, เ ข, าขอด้วยเขานี่อัลลอฮ์จะตอบรับ การที่เข้ามาละหมาดยันาซาเนี่ยเป็นการยืนยันว่าเขาเป็นคนดีนะไม่ต้องอ่านกรถาตามกันคนนี้เป็นคนดีไหมไม่ต้องยืนยันดูอีกหน่อยหนึ่งก็ต้องลงนามต้องเซ็นด้วยไอแบบนี้เนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่ที่อัลลอฮฺจะตอบรับนะ ก็หมายถึงว่ายีเนี่ยนัเป็นคนดีนี่แค่เรามาละหมาจนาซาด้วยสมัครใจเพราะรู้ว่าเป็นคนดีนี่เป็นการยืนยันว่าเป็นคนดีอยู่แล้วและยิ่งละหมาจนาซาพอละหมาจนาซาขอดุอมเราอัลลอฮฺมะฟิรละหุรรันี่เป็นการยืนยันนะว่าคนนี้เป็นคนดี อ, ลลด อ, อัลลอฮยุกโทษเดเขาเถอะละหมาจนาซาเนี่เกียรติสำคัญมากสําหรับมุสลิมอัลลอฮยึดเกียรตินี้มาให้มูนาฟิกได้ ชาวมุสลิมทุกคนเนี่ยต้องเสียวในเรื่องเสียวนะอย่าไปภูมิใจว่าโอค้คนมาละหมาดเยอะแต่ต้องดูว่าเยอะเนี่ยคนๆบางคนในสังคมอะถ้าไม่มาละหมาดนั่นะน่เสียวนะนั่นเสียวนะเพราะคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาละหมาดจนาหวังทองเลยเขาละหมาดจนาซ่นี่เพื่อมายืนยันในความดีว เัรท่านนาบีบอกก็คนที่มาอิยีนในความนี้อันตุมชูฮะดะอุลลอฮิฟิลลอตพวกเจ้าเนี่เป็นสกีพยานของอุลลอฮ์บนผืนแผ่นดินนบีพูดถึงใครอะซากาบะที่มาละหมาดซาก็แต่ก่อนนั้นน่ยไม่มีใครเป็นมุนาฟิกนะแต่จะมาละหมาจยนาซาหวังซองละหมาดยานาซาหวังชื่อเสียงนี่ไม่มีนะเอาละฝากแค่นี้นะครับเพราะมันเวลามันผ่านเป็นละมีคําถามไหมครับ سبحانك اللهم بحمدك شهدوا ل ل ه ا إله إلا أنت صفا قدوة لي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليهم ر ض ه